Book 2 9เก้าสิบสามนิ i ิอนุประโยคใช้เชื่อมดีเซนเงียบ a ม่อ้อมฉันไม่ทราบว่าเขารักฉันหรือไม่ฉันไม่ทราบว่า a ฉันไม่ทราบว่าเขาจะกลับมาหรือไม่ไมฉันไม่ทราบว่าเขาจะโทรมาหรือไม่ไไมฉัน ไ, ไ, มไม่ทราบว่าเขาจะโทรมาหรือไม่ฉันไม่ทราบวเขารมาอไม่ฉัไม่ราบาเจะโมารือไม่ฉันไมาบมาก็ได้ เขาอาจจะไม่โทรมาหาดิฉ ja ันก็ได้ถ e ้าเขาจะคิดถึงดิฉัน ja ฉันสงสัยว่าเขาจะคิดถึงดิฉันไหมฉันสงสัย ja ว่าเขาจะมีคนอื่นไดมฉันสงสัยว่าเขาจะมีคนอื่นไหม ดิฉันสงสัยว่าเขาพูดโกหกันลอยู่ว่าเขาจะันเล้าเขาเขาอาจจะคิดถึงฉันหรือเปล่าถ้าเขาคิดถึงฉันเขาอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าถ้าเขาคิดถึงันเขาอาจจะพูดความจริงก็ได้าเขาวอาจจะพูดความจริงก็ได้าอม ฉันสงสัยว่าเขาจะชอบฉันจริงๆหรือไม่ <g ül> s <ame> <S ฉันสงสัยว่าเขาจะเขียนถึงฉันหรือไม่ฉันสงสัยว่าเขาจะแต่งงานกับฉันหรือไม่ฉันสงสัยว่าเขาจะแต่งงานกับฉันหรือไม่ เขาจะชอบฉันจริงจังไหมถ้าอบฉันจริังเขาจะเขียนมาหาฉันไหมถ้าเขาเขียมาหาฉันเขาจะแต่งงานกับฉันไหมถ้าเขาแต่กาจหม้